ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องขัดเกลาวขัดใจโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่27ตุลาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เราลองมาฟังสโลกสโลกธรรมสักอันหนึ่งพ่อท่านเขียนเอาไว้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2523ปีนี้46เท่าไรอะ23ปี23ปีไาแล้วพ่อท่านเขียนว่าอย่างนี้อันตมาจะอ่านลวดเดียวหมดก่อนนะ เพราะว่า พ, พ, พ, พ่อท่านพูดถึงสสประเภทเท่านบอกว่าคนผู้ไม่ทำอะไรให้ขัดใจใครแต่พยายามขัดใจตนเองนั้นคือผู้ขัดเกลาตนเองนั่นนป่ประเภทที่หนึ่งสองก็คือคนผู้ทำอะไรขัดใจคนอื่นตะพืตน แม้จะได้ขัดใจตนเองมาบ้างนั้นคือผู้ฆ่าตนเองนะนั่นสองนะนะสคนผู้ทําอะไรแม้จะขัดใจผู้อื่นก็ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยความปรารถนาดีเพราะได้ขัดใจตนเองมาแล้วนั้นคือผู้ช่วยขัดเกลาคนอื่นนะนั้นสและว คนผู้ไม่ขัดใจใครเลยและไม่ยอมขัดใจตนเองด้วยนั้นคือผู้ฆ่าทั้งผู้อื่นและตนเองให้ฉิบหายทั้งคู่ <c oughs> อันสุดท้ายที่หนักหน่อยอันนี้ก็มาจากหนังสือสรุปธรรมนะ <c oughs> เขารวบรวมสรุปธรรมของพ่อท่านตมาอ่านเจออันนี้ก็รู้สึกว่าเออ น่าจะมาพูดให้พวกเราฟังเพราะจริงๆพวกเราในที่เนี้ยตั้งใจมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมนะแม้บางคนอาจจะยังอยู่ข้างนอกอยู่ก็ตามแต่ก็มีความตั้งใจนะที่จะมาปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยการตั้งใจมาปฏิบัติธรรมไม่มีอย่างอื่นหรอกมันเป็นเรื่องที่มาขัดเก่าเพราะศาสนาพุทธนี่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยๆว่าเป็นอะไรเป็นศาสนาแห่ง แห่งสันเลขธรรมนะหมายถึงว่าเป็นธรรมะแห่งการขัดเกลวใช้คำนี้เลยนะสันเลขธรรมหรือบางทีเนี่ยขัดเกลาขัดเกลวก็บางคนก็พูดท่านมันดีนะไม่ใช่ขัดเกลวอันนี้ขัดเกลวมันให้มีลอลิงอยู่ด้วยนะถ้าพูดไปแล้วมันไม่มีลอลิงเนี่ยมันก็จะเหลือขัดเกลาบางคนอาจจะ เออคันดีนะอย่างงี้รู้สึกเอเอหน้าให้ขัดเพราะว่าขัดแล้วมันมันดีนะเกาเอาเกาเอาจะขัดเกาตรงนี้นี่เป็นยังไงถ้าขัดเกาเนี่ยมีมีลอลิงเข้ามาด้วยเป็นไงโอ้โหเวลามาขัดเวลามาเกาเราไปไงถ้าเกาแรงหน่อยนี่ซิปๆเลยนะอถ้าเกาแรงๆถ้าเกาเบาๆบ า, บาก็พอคอ่อย่างชั่วนะแค่รู้สึกอะไรแค่รู้สึก แสบๆ แ, แค่รู้สึกประมาณหนึ่งเท่านั้นเองแต่ตอนนี้คำว่าขัดเกลวเนี่ยมันเป็นภาษาฟังแล้วอัตมาว่ามันก็ยังไพเราะอยู่อะถ้าใช้ภาษาที่ชัดกว่านี้นั่นในที่นี้นี่พอท่านก็ใช้อยู่เราเปลี่ยนคำว่าขัดเกลวเนี่ยเป็นขัดใจตอนนี้ชักชักไม่ค่อยสนุกด้วยแล้วนะถ้าใช้คาว่าขัดใจ มันบุคคลแรกเนี่ยที่พ่อท่านพูดเห็นไหมดูนะผู้ที่ขัดเกลาตนเองเนี่ยนะคือคนผู้ไม่ทำอะไรให้ขัดใจใครแต่พยายามขัดใจตนเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ได้ชื่อเรียกว่าเป็นคนที่ขัดเกลาตนเองคือคนที่อาจจะไม่ต้องไปขัดเกลาใครเลยอาจจะไม่ยุ่งอะไรกับใครก็ได้แต่ที่แน่นอนก็คือขัดใจตัวเองแน่นอน อันนี้คือคนอื่นเขาจะยังไงก็ช่างแต่ตัวเราเองไม่ยอมปล่อยไปตามอารมณ์ไม่ยอมปล่อยไปตามใจเราอย่างเช่นเราชอบบางอย่างสมมตินะเรารู้แล้วว่าเรานี่เป็นกิเลสตัวรักตัวชอบตัวหวงอ่าพอเรารู้เสร็จปรากฏว่าจะขัดใจตัวเองก็คือทำไงถ้าเรารู้ว่าเรารักเราชอบเราหอบหวงเนี่ย ก็หัดเสียสละใช่ไหมหัดปล่อยออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยเยคือขัดขัดใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นพอเราเราฟังตรงนี้เนี่ยเราเราเริ่มรู้สึกว่าอ ม, มันมันหนักหนักเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องเบาเบาสักเท่าไหร่ละเะฉะั้นคนที่ขัดใจตัวเองเนี่ยสําหรับภิกษุที่บวชใหม่พระเจ้าท่านตรัสว่าผู้ที่บวชมาใหม่เนี่ย ไม่ต้องไปเที่ยวมองคนอื่นเขาอ่ะไม่ต้องไปเที่ยวตาดูหูแลอะไรใครต่อใครเขามากก็ได้แต่สำหรับตัวเองต้องใส่ใจต้องดูแลตัวเองคำว่าดูแลนี่ไม่ใช่ประคบประงมบำรงุงบำรเรนะใส่ใจตัวนี้หมายถึงคอยขัดใจตัวเอง <c ười> คอยขัดกิเลสตัวเราเองนะอย่าปล่อยให้ตามใจตัวเองนะัดเพรานี้นี่เป็น บทฝึกหัดบทแรกของผู้ที่จะย่างเข้าสู่การปฏิบัติธรรมวันใครก็ตามที่ยังชอบทำตามใจตัวเองหรือปล่อยไปตามอารมณ์ตัวเองถ้าเราไม่ชอบใจอะไรเราก็ปล่อยไปตามอารมณ์คิดเดียวเลยนะคิดในแง่อะไรอะเร็วๆไลๆคิดในแง่เบียดเบียนคิดในแง่ไม่ชอบใจอะไรใครต่อใครมันก็ปล่อยไปเรื่อยจิตมันก็ปรุงไปเรื่อย แต่ปุงในแง่ของความรังเกยียจความไม่ชอบแต่พอเรารู้เนี่ยคนที่จะขัดเราตัวเองพอรู้ปับ๊บเฮ้ยอย่างนี้นี่มันสายโทรสารแล้วนี่อย่างนี้ที่มันคิดแล้วมันชังเขานี่อย่างนี้คิดแล้วก็ยิ่งผลักนี่ยิ่งเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นขัดใจตัวเองไม่ปล่อยจิตให้ไปตามอารมณ์อารมณ์กําลังเป็นสายโทรสารอยู่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ปล่อยมันไปนะดึงดึงล้งมันไว้นะอย่างน้อยน้อยเนี่ยไม่รู้ใครเคยเล่นเว้าวไหมใครเคยเล่นเว้าวไหมอ่านะถ้าใครคยใครเคยเล่นเนี่ยจะรู้ถ้าสมมุติว่าเราเราเขาเรียกว่าพ่เนี่ยเขาเรียกว่าพ่นเนี่ยม <accomplishments> ันก็จะไปเรื่อยๆนะมันจะไปเรื่อยๆนะยิ่งไปไกลยิ่งยิ่งไปไกลเขาเรียกว่าเว่าวามันติดลมบน โอ้โหคราวนี้พอเวลาจะเอากลับไปไงเวลาจะเอาว่าวนั <ko ko ้นกลับคืนมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันก็ยิ่งยาวมันก็ยิ่งไกลเพราะว่าเราผ่อนไปเนี่ยแล้วพอมันยิ่งไกลมันยิ่งติดลมบมเนี่ยลมจะแรงข้างบนเนี่ยลมมันจะแรงกว่าข้างล่างวันพอเวลาจะเอากลับมาดีนะโอ้โหบางทีมันจะควงติ้วเลยนะนะแล้วก็ถ้าเอาว่ามันศูนย์มันไม่ดีอ่ะถ้าศูนย์มันไม่ดีเนี่นะ คุณรีบสาวนี่โอ้โหบางทีมันควงซ้ายหรือควงขวาก็แล้วแต่คือน้ําหนักมันตกไปที่ข้างไหนมันจะหมุนติวไปข้างนั้น mm hmm. เผอเผอคุณสาวมาไม่ถึงหรอกคือมันลงหลังคาบ้านใครหรือไปติดต้นไม้ไหนซะก่อนเอากลับมาไม่ได้เนี่ยอาตมาเปรียบให้คุณภาพออกถ้าถ้าใครเคยเล่นเบ้ามาจะรู้เนี่ยก็คือจิตของเราที่เราปล่อยไปเพราะใครเนี่ย ยิ่งมีสติช้ารู้ตัวช้ามันจะปล่อยไปตามอารมณ์เพราะอารมณ์มก็จะดึงเราไปจูงเราไปพอมันมันดึงเราไปเสร็จใช่ไหมคุณคุณไม่ทันรู้ตัวเนี่ยมันก็ดึงไปเรื่อยไกลไปเรื่อยไกลไปเรื่อกกยกไปเรื่อยไกไปเรื่อยจนกว่าคุณจะมีสติเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะพอคุณมีสติปับ๊บคุณรู้แล้วว่านี่อกุศลกิจถ้าเป็นใน ในแง่โทสะเรารู้เลยว่าเรายิ่งปรุงยิ่งคิดไปในแง่โกรธเกลียดไม่ชอบใจนะถือสารังเกียจอย่างนั้นอย่างนี้คุยิ่งปล่อยไปไกลเท่าไหร่ความคิดจะเบียดเบียนความคิดเกลียดชังก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆหนาก็เรื่อยๆเนี่ยเที่เขาเรียกว่าคนกิเลสหนาคือเราปล่อยจิตไปในแง่กิเลสเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้น เพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยพอมีสติรู้ตัวเมื่อไหร่พับทันทีเลยก่อนอื่นนะคุณยังไม่รู้จะทําไงหยุดมันให้ได้ก่อนหยุดอารมณ์นั้นให้ได้คุณจะใช้สมถะก็ได้นะถ้ายังไม่รู้ว่าจะคิดอะไรยังไงอ่ะคุณจะใช้สมถะก็จะหยุดกึกเลยโอ้โหอย่างนี้คิดชั่วอย่างนี้คิดเลวไม่คิดต่อเอาอย่างนี้เลยถ้าถ้ายังใช้วิปัสสนาไม่ทันเนี่ยใช้สมถะก่อนเลยหยุดกึก หยุดให้ได้ถ้าใครที่มีเจโตดีๆนะสายสมถะเนี่ยมีกําลังจิตที่เก่งๆหรือสายเจโตนี่จะมีกําลังจิตพอมีสติรู้ตัวปั๊บหยุดกึกได้เลยพวกที่เจโตแข็งแข็งเนี่ยห้ามทันทีพอรู้ว่าจิตเร็วแล้วสั่งหยุดเลยเลิกคิดต่อเลยจะคิดเรื่องอื่นก็คิดเรื่องอื่นไปแต่เรื่องนี้หยุดทันทีไม่คิดหรือจะทําจิตว่างๆก็แล้วแต่แล่ะ นะแต่ไม่คิดเรื่องนั้นต่อไปเพราะรู้ว่าคิดต่อไปแล้วจะเลวลงเรื่อยๆแต่ส่วนสายวิปัสสนาสายสายปัญญาสายปัญญาเนี่ยหยุดไม่ค่อยลงหรอกนะถ้าถ้ากําลังจิจอ่กากำลังที่จะกดข่มกําลังที่จะบังคับเนี่ยมันมันไม่ไม่เก่งเพื่อง่ายไม่ไม่ได้ฝึกเรื่องของการใช้กําลังเพราะ ฝึกเรื่องของการใช้สติปัญญาพระพอรู้เนี่ยอะละเริ่มคิดแล้วเอเจค่อยๆเอาสมมุติว่าเล่นว่าวเนี่ยเอเจค่อยๆเอาว่าวกลับเข้ามาได้ไงเพราะฉะนั้นคนที่เล่นว่าวเนี่ยจะรู้ว่าว่าพอดึงเข้ามาหน่อยแป๊บมันจะปากหัวลงแล้ว ว, ว่าวแล้วก็ต้องผ่อนไปหน่อยดึงอ่าพอผ่อนไปหน่อยเบง๊ บ, บ, บ ว, ว่าวมันจะขึ้นเอาว่าขึ้นแป๊บก็รีบสาวเข้ามาพอสาวเข้ามามันจะลงใหม่พอลงแป๊บรีบผ่อนอีกนิดนึงให้มันขึ้นอย่างเงี้ยจะต้องทําอย่างเงี้ย จนกระทั่งค่อยๆสาวเข้ามาสาวเข้ามาจนจนถึงตัวเราได้สายปัญญาจะเป็นอย่างนั้นนะสายปัญญาจะจะแบบว่าไม่ได้ใช้แต่กําลังทีเดียวอะ่ะจะรู้รู้จักผ่อนจะรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวพูด ง, ง่ายๆสายปัญญาจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉนั้นบางทีเนี่ยพอจับอารมณ์ของกิเลสได้สายปัญญาก็เอาแล้วรู้ว่าเอะดีคิดไม่ดีละเพราะนั้นรีบละพยายามหา วิธีหรือว่าหาเรื่องอื่นมาสอดแทรกเพื่อที่จะแบ่งเบาเงี้ยไม่ให้สมองเนี่ยมันจมอยู่กับเรื่องนี้บางทีหาเรื่องตื่นเต้นในนนหาเรื่องตื่นเต้นไใ้นีนหนหน่เอาเข้ามาแทรกมันเอาเข้ามาแทนมันเพื่อที่จะให้แบบว่าอะไรเบี่ยงเบนมันอะเบี่ยงเบ น, บเบนความสนใจบ เ, บนบเบี่ยงเบนจิตที่มันจะปักไปเรื่องนั้นให้ปักมาเรื่องนี้ให้ได้จะเป็นอย่างนี้สายปัญญาก็จะพยายามแก้เพราะฉะนั้นคนที่แก้อ ย, อย่างงี้เนี่ยคือคนที่ขัด ใจตัวเองได้วันจะสายเจโตก็ตามสายปัญญาก็ตามใครที่มีลักษณะของการปฏิบัติปัิิบตธรรมแบบนี้คนนั้นกำลังขัดเกลาตัวเองเวลามีเรื่องมีปัญหาขึ้นมา เ, เห็นอะไรที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นนะคือคืออาตมามักจะยกไอ้สิ่งที่เป็น แง่ลบหรือว่าแง่โทสะเนี่ยมันเห็นได้ง่ายคือมักจะไม่ค่อยยกสายกามหรือว่าสายดูดเนี่ยเพราะว่าบางทีมันเห็นยากอันนั้นนะ่ะยิ่งต้องปฏิบัติทาให้ให้เข้มข้นขึ้นให้ละเอียดขึ้นถึงจะค่อยๆ เ, เข้าใจนะว่าโอ้โหกิเลสกามนี่มันมันเป็นทุกยังไงแต่ทางด้านโทสะเนี่ยทางด้านเกียรต ทางด้านไม่ชอบใจมันเห็นง่ายเนี่ยไม่เห็นตัวทุกข์ง่ายก็เพราะว่าเราเห็นตัวทุกข์เนี่ยวากิเลสมนทำให้เราทุกข์แบบนี้นะหรื อ, อเรียกว่าทุกข์อริยสัจคือพอเห็นอย่างงี้ปั๊บเนี่ยคนที่ปฏิบัติทำรู้ทันทีเลยว่าไม่ปล่อยต่อเพราะใครจะโง่อปล่อยให้มันทุกข์ยาวไปอีกไ ม, ไม่มีอะถ้าคุณรู้นะคุณรู้ทุกข์อริยสัจคุณไม่ปล่อยให้ทุกข์ต่อไปหรอกแต่คนไม่รู้ คุณก็จะปล่อยยาวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยทั้งๆ ท, งที่ตอนนี้สติรู้ตัวแล้วนะว่าเอ้ยอย่างนี้คิดไม่ดีนะยิ่งปล่อยไปมันยิ่งพาเราเฉยใชย้ไปไหนต่อไหนอีกนะเพราะถ้าคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยชัดเจนในเรื่องของทุกอริยสัจแล้วคนนั้นพอจับอารมณ์ตรงนี้ได้ไม่ปล่อยต่อเลยเพราะที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่พยามาเพื่อพ้นทุกข์หรือ ก็เมื่อเราต้องการความพ้นทุกข์เมื่อเมื่อตอนนี้เราเห็นทุกข์แล้วเราไม่ปล่อยตอ่อแน่เหมือนคนปวดฟันอย่างเงี้ยถ้าคุณโอ้โหนี่ปวดฟันนะใครอยากย้าให้บรรพุนปวดฟันไปเรื่อยๆไม่มีหรอกมียาแก้ปวดบา ก, กินได้คุณก็รีบกินน่ะเออหรือว่าบางทีปวดมากๆถอนได้ก็ถอนไปเหรอยังไงก็ขอให้หายปวดก่อนออบางทียอมเลยนะยอมโดนถอนขอให้หายปวดเถอะ เพรโดยสัจจะโดยความเป็นจีนเนี่ยคนที่รู้ทุกจริงไม่อยากทุกต่อไม่อยากทุกยาวนานนะเขาจะทําทุกให้สั้นที่สุดให้จบเร็วที่สุดไวที่สุดเพื่อที่เขาจะได้สบายขึ้นเพราะความสบายของนักปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยอยู่ที่การทําเรื่องพ้นทุกให้ไวที่สุดนั่นแหละคือความสุขของนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่แบบโลกโลกนะ ถ้าแบบโลกโลกเนี่ยความสุขของคนแบบโลกโลกคือไปสร้างไอ้นุ่นไปทําไอ้นี่นะอะไรที่ถูกใจอะอะไรที่สมใจเขาอะเขาจะไปทําเพื่อที่ให้ได้สมใจถูกไหมแล้วเขาก็เป็นสุขนั่นะสุขแบบโลกโลกจะเป็นลักษณะนั้นแต่จะต่างจากนักปฏิบัติธรรมที่รู้เรื่องของอริยสัจสี่แล้วเนี่ยเพราะงั้นความสุขของผู้ที่ รู้เรื่องทุกอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องนี่นะคือการที่ทำทุกที่มีอยู่ในชีวิตเนี่ยให้มันหมดเร็วที่สุดเท่าไหร่นั่นแหละคือความสุขที่เราเรียกว่าสุขแบบไห น, นที่เราเรียกว่าสุขแบบ อ, อันนี้บอกวูปัสโมโอสุขอา้าวใครใครว่าสุขแบบไหนอีกอืมอะไรนะ สุขสงบแหม อ, อันนี้สุขโดยส่วนเดียวอ้าวใครสุขยังไงอีกอันนั้นสุขแบบเนคขมมะอานะสุขแบบเนคขมมะค่อยเข้าท่าหน่อยสุขสงบนี่แหมได้อะไรสมใจมันก็สุขสงบเหมือนกันนะฮะใช่ไหมล่ะจริงๆมันต้องใช้คำว่าสุขแบบโลกุตระ เพราะว่าคำว่าโลกุตละแปลว่าแปลว่าเหนือโลกคือถ้าอยู่แบบโลกโลกเนี่ยคือมันมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์กดับไปดับแบบธรรมชาตินะ อ, อ, อะไรเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปนี่แบบธรรมชาติแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ถ้าดับทุกข์นี่หมายถึงนิโรธอริยสัจหมายถึงต้องดับทุกข์นั้นได้จริงๆและทุกข์นั้นก็เกิดจากกิเลสของเรา เพราะคนที่เข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้โหไม่อยากปล่อยให้ตัวเองทุกข์ต่อไปเพราะเขาจะรีบดับยิ่งดับไว้เน่ะพระเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับคนมีไฟเผาผมเผาหัวเนี่ยเผาศีรษะอยู่เนี่ยไฟกำลังรุดช่วงช่วงไะเป็นไงถ้าไฟลุกหัวคุเนี่ยกูจะทำไงแน่นอนใช่ไหมโอ้โหอะไรดับได้มีบอ่อหน้ามีอะไรกระโจนได้คงกระโจนเลยแะ มันไม่รอช้าเลยผู้ชาท่านเปรียบอะไรเนี่ยบอโอ้โหเรียกมามันเห็นภาพเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยรู้ทุกอริยศาสตร์จริงนะคุณเข้าใจแท้แล้วนะมันจะเหมือนกับคนมองเห็นไม่ใช่มองเห็นนี่ะกําลังรู้สึกเลยว่าไฟมันกำลังไหม้ศีรษะของเราเพราะฉะนั้นน่ยมันรีบดับทันทีเพราะโอ้โหมันทั้งร้อนมันทั้งเจ็บปวดมันทั้งทุกข์ทรมานมันจะรีบดับไฟก่อนเลย ไอ้ใครอย่างอื่นเนี่ยก็ช่างเหอะไม่สนใจทางนั้นเนะี่ยเพราะตอนตอนนี้ดับไฟที่หัวเราให้ได้ก่อนจะเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยถ้าใครเข้าใจนะไวอาตัมาก็พยายามเอาคำเปรียบต่างๆเนี่ยให้เราเข้าใจเนี่ยคนที่ขัดเกลาตนจะเป็นลักษณะนี้แต่ <c oughs> แต่ถ้าคุณปฏิบัติทำแล้วถ้าคุณยังรู้สึกแหมยังไอ้นี่ก็สบายไอด้ดนก็สบาย คือสบายแบบแบบเราปล่อยอารมณ์เรานะปล่อยไปตามออไอ้นี่เราก็ชอบกินออไอ้ที่นอนวังนี้ก็ดีนะเย็นดีแล้วอะไรก่นเสาต้นนี้ก็เป็นที่พึ่งพิงได้ดีนะมาก็ต้องเออสาต้นนี้แหละนะเป็นที่พักพาอาศัยเนี่ยอะไรทานองเนี้ยแล้วคุณก็ยังปล่อยอย่างนี้นะให้คุณรู้เถอะว่าอันนั้นนะั้นะ่ะคุณยังสอนไม่ผ่าน อันนั้นจนกว่าคุณจะรู้ว่าอ้ยอันนี้นี่มันเป็นทุกข์นะมันถึงบอกว่าไอ้เรื่องสบายๆเนี่ยโอ้โหพูดกันแล้วยากมากๆเลยแต่อันไหนเขาเนี่ยเห็นง่ายคุณไปนั่งตรงไหนแล้วโอโห้หน้ำก็แฉเอาสมุดนะน้าก็แฉแล้วก็อะไรพื้นก็ไม่ค่อยเรียบใช่ั้ยคุณไปนั่งแล้วคุณจะรู้สึกไง ไม่สบายแล้วนะรู้สึกไม่สบายแล้วไปไงพอไม่สบายแล้วความคิดอะไรตามมาฮะไปเจอที่อย่างเงี้ยนั่งแล้วคุณยังไงละคุณคุณเริ่มมองหาที่ใหม่แล้วใช่ว่าที่ไหนมันดีกว่านี้จะไปนั่งที่ใหม่นั่นแหละถ้าคุณเข้าใจกิเลส ข, ของตัวเองแล้วกูเห็นได้กูจะรู้สึกอย่างเงี้ยว่าโอ้มันทุกข์มันลำบากนะคุณอยากจะเปลี่ยน วันอัตมาถึงบอกเห็นไหมคนที่เห็นในด้านของสายโทระ ส, สายที่อึดอัดขัดเคืองสายที่ไม่ชอบใจคุณเห็นทุกง่ายแต่ตรงไหนสบายสบายนั่งก็สบายนะลุกขึ้นยืนก็สบายนะกินตรงนี้ก็สบายนะไปตรงวงใครก็ชวนนั่นแหละคุณบางทีจับไม่ทันเลยคุณมองไม่เห็นทุกอริยสัจคุณกลับไปไปไป ติดความสบายแต่อันนั้นมันไปสายราคะและไปในสายความกําหนัดความยินดีพอใจเพราะอันนั้าจะมาบางทีไม่ค่อยจะพูดมากหรอกเพราะว่ามันยากจริงๆริงไอ้ ไ, อไปในทางกิเลสดูดเนี่ยเพราะว่ามันเห็นทุกอริยสัจยากเพราะาตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะพูดในแง่ของด้านทุกอริยสัจในแง่ที่เป็นสายโทสะสายที่อึดอัดขัดเคืองไม่ชอบใจ ขนาดอย่างนี้ยแล้วมาบอกคุณได้เลยเนี่ยพอคุณไปเจอคนที่คุณไม่ชอบใจอ่ะทัดคุณสังเกตไหมปฏิกิริยาเราเกิดขึ้นทันทีบางทีแค่เห็นหน้าเข า, านั้นเองทันทีเลยนะบางทีคุยๆกับเพื่อนมนดีๆนะเดินมาคุยๆกับเพื่อนมนดีๆยิ้มแย้มย่ำใส่พอเห็นคนนี้หน้าคนนี้นะเป็นไงบางทีโอ้โหตึงเลยนะหน้าเตืขึ้นมานะบางทีผูพ้พูดอยู่อารมณ์นี้เปลี่ยนเลยนะ เออเปลี่ยนเลยคุณคิดดูสิเสร็จแล้วยังไงพอพออารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไม่ดีแล้วนะเผลอเผอบางครั้งพอเดินสวนกันเนี่ยเดินผ่านอ่าเป็นยังไงอะไรนะเน็บสักหน่อยเหน็บไงอ่ะฮะเขาไม่ใช่น่งจงกระเบนนะเน็บยังไงอ่ะเหน็บสักหน่อยก็นั่นนะทีไหนลองยกตัวอย่างที่เหน็บสักหน่อยเนี่ยอือ บางทีเนี่ยทําหันมาพูดกับเพื่อนนะบางทีนะเออหันมาพูดกับเพื่อนนะแต่พูดเสียงดังขึ้นนะแล้วก็แขวเขาอะ่ะใช่ไหมอบอกแมมวันนี้ฉันตื่นเช้านะฉันมาทําวัดนะไม่เหมือนใครบางคน <c oughs> อาบางทีนะโอ้แ้แแกลงพูดดังๆให้เขาได้ยินอีกนะต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยบางทีจับไม่ทันเนี่ยแล้วคุณเห็นหรือเปล่าว่าอย่างเงี้ยมันทุกข์อะ ที่จริงแล้วมันทุกอารมณ์อึดอัดขัดเคืองอารมณ์ไม่ชอบใจกแักแหนกันแหนเข้าไปโอ้นี่มันทุกนะมันสู้อารมณ์ที่ปลอดโปร่งได้เหรอก็ได้สมใจหน่อย อ, อนั่นแหละก็มันสมใจแบบตอนนี้แบบอะไรละสมใจแบบสุขแบบโลกียะแล้วเพราะฉะนั้นคนโรคๆเขาได้แขวะอย่างเงี้ยเขาแหสบายใจวันนี้ชนะแล้วหนึ่งยก <laughs> นะคิดอย่างนี้แล้วเริ่มแล้ว ทันทีเลยเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกโอ้โ oh หเรื่องพวกนี้นี่ต้องไหวทันจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจับอารมณ์จิตได้ฝึกให้ได้ให้ทันเนี่ยคนนั้นถึงจะไม่ค่อยอยากไปมองกิเลสคนอื่นหรอกอาตมาบอกให้คุณรู้เลยเพราะมันเปลืองตัวแล้วก็เปลืองใจเราเพราะคุณจะเผลอใจไปเรื่อยเลยนะยิ่งไปมองกิเลสคนนั้นคนนี้ไอ้คนนั้นก็ทำไม่ดีไอ้คนนีก้ก็กินมากไอ้คนนี้ก็ไม่ค่อยช่วยงาน คุณยิไปมองมองมองอย่งุณก็สะสมไอไอไอความรู้สึกพวกนี้เข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยโอ้เสร็จแล้วมันก็เลยเผลอไม่ค่อยได้มองไอความไม่ดีของตัวเองไม่ค่อยได้มองกิเลสตัวเองก็ไปมัวมองกิเลสคนอื่นเพราะฉะ น, นถึงบอกว่าเนี่ยบุคคลแรกนะพ่อท่านถึงบอกว่าคนผู้ไม่ทําอะไรให้ขัดใจใครดูนะคือเราไปเห็นกิเลสคนอื่นะสมมตินะเอาละเอาะพอเห็นกิเลสคนอื่นปั๊บ เฮ้ยบางทีเตือนตัวเองเลยนะว่าเอาเ อ, เอกิเลสเขากิเลสเขาไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปคือขัดใจใครเนี่ยก็คือไม่ต้องไปขัดเกลาเขา อ, ะ <c oughs> อ่ะอ่าน่าพูดใหม่อันตรมาพูดใหม่ว่าพอไปเห็นกิเลสเขาปับ๊บสมมติว่าเราไม่ไม่ไปขัดเกลว์เขาอะ่ะแต่คนนี้พยายามขัดใจตัวเองก็คือขัดเกลาตัวเองคนนี้ถึงจะได้ชื่อว่าผู้ขัดเกลวตน นะอันนี้อาจจะพูดแล้วเหมือนตรงตรงมาหน่อยนะไม่คิดถึงคนอื่นเลยคิดถึงแต่ตัวเองก็ตามแต่แต่โดยสัจจะบางทีคนเราเนี่ยมันยังมีกิเลสมากอยู่บางครั้งกำลังคุณไม่พอหรอกที่คุณจะแหมเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เพราะบางทีเนี่ยกำลังเราส่วนใหญ่เราต้องมาใช้แค่ทุ่มเทสู้กับกิเลสตัวเองคุณก็สะบักสะบอมจะแย่อยู่แล้วยังจะไปสู้กิเลสคนอื่นอีก แล้วคุณนึกว่าอย่างไงง่ายกันนะสู้กับกิเลสเขากับสู้กับกิเลสเราเองคุณว่าอย่างไรง่ายกันนะทาไมสู้กับกิเลสเราง่ายกว่ า, ว า, เ, า, เ, าเออเพรา ะ, ราะยังไงเนี่ยมันก็เป็นตัวของเราเองใช่ไหมคุณจะบังคับหรือคุณจะอะไรยังไงก็บังคับได้เพราะมันมันเป็นตัวเราเองอะ่ะแต่กิเลสคนอื่นอะ่ะคุณไปบังคับเขาเป็นไงอ่าวานทีเขาไม่ยอมคุณนะนะใช่ม เขาไม่ยอมจีตหนักสิคนนี้เออถ้าเขายอมก็ดีไปแต่บางทีเขาไม่ยอมง่ายๆอะ่ะก็อย่าว่าแต่เขาไม่ยอมง่ายๆเลยกิเลสเราเองเป็นไงมันยังไม่ค่อยยอมเราเลยแล้วกิเลสคนอื่นเขาจะยอมเราง่ายๆหรือคุณคิดดูเอาสิเพราะั้นถ้าเราชัดตรงเนี้ยแต่บางทีโอ้โหมันมันเหนื่อยเกินไปมันกําลังจิตกําลังใจเรามันไม่ถึงอะ่ะเพราะฉะนั้นอาตมาบอกแต่ต้นว่า พุทเจ้าถ้าถึงจัดเลยบางทีภิกษุบวชมาใหม่เนี่ยท่านบอกไม่ต้องไปสนใจภิกษุอื่นก็ได้เอาขัดขัดเก่าตนเองก็พอแล้วนี่ท่านจะตัดไว้อย่างนี้นแต้ตอนี้อาพอบุบคคลที่สองคนนี้คนพูดทาอะไรขัดใจคนอื่นตะพื้เอาแล้วนะเนี่ยนะแม้จะได้ขัดใจตนเองมาบ้างนั้นคือผู้ฆ่าตนเอง อันนี้เราใช้จานวนบ่อยว่ามันเหมือนกับคนที่อะไรอ่ะประโยชน์ผู้อื่นไม่มากแต่พลานประโยชน์ต น, นเนี่ยเนยเนี่ยคือคนประเภทนี้คือคนที่อาจะขัดเกลารคนอื่นเขาเนี่ยหรือไปขัดใจคนอื่นเขาอยู่เรื่อยเลยนะเห็นกิเลสคนนั้นเห็นกิเลสคนนี้อยากให้เขาดีอยากให้เขาดีอา้าวต่อให้ปาฏณาจักรดีด้วยนะอันนี้พูดจริงๆริงนะไม่ได้ว่า อะไรอ่ะจะไปแกล้งเขาอะไรเปล่าต่อให้คนนี้เนี่ยมีจิตเจตนาดีจริงๆปรารถนาดีไปเห็นกิเลสคนโน้นไปเห็นกิเลสคนนั่นขึ้นมาแล้วเขาน่าจะดีกว่านี้แล้วก็ปรารถนาที่อยากจะช่วยเขาให้เขาดีกว่านี้จริงๆด้วยส่วนกิเลสตัวเองบอกแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทุ่มเทให้กับกิเลสคนอื่นเขาจิตของเราเนี่ยมันคิดได้ทีละเรื่อง พอเอาเวลาไปคิดเรื่องคนอื่นมันก็ไม่มีเวลาคิดเรื่องตัวเองเพราะฉะนั้นกิเลสตัวเองเลยไม่ค่อยได้มองในที่นี้พ่อท่านก็บอกว่าขัดใจตัวเองหรือขัดเกลาตัวเองเนี่ยขัดบ้างแต่มันน้อยไงคือขัดน้อยแต่สาหรับคนอื่นเนี่ยเจอคนนั้นก็เอาลวละบางทีสอนเขาด้วยนะแนะนเขาด้วยนะชี้โทษชี้ภัยชี้ขุมทรัพย์ให้เขานะเอเกง่งคนนี้เก่งมากเลย พวกนี้บางทีสอนคนอื่นบรรลุทําได้แต่ตัวเองไม่บรรลุนะเป็นเหมือนกับที่เราเคยฟังไปแล้วเรื่องพระไบรานพระไบรานเปล่าสอนคนอื่นจนได้ดิบได้ดีบรรลุทาไปก็ได้แต่ตัวเองไม่ได้มากผลเนี่ยเหมือนกับฆ่าตัวเองเหมือนกับทำลายตัวเองเพราะวันเวลามันผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปคุณสูญเสียเวลาในชีวิตของคุณ คนอื่นต่อให้คนอื่นเขาดีเขาได้บรรลุธรรมเขาก็พ้นทุกข์ก็สิแต่เรายังทุกข์อยู่ช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์แต่เรายังทุกข์จะตายอยู่แล้วอา้าวศาสนาพุทธก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยกย่องเพราะนั้นตรงกังข้ามศา ส, สนาพุทธกับจะช่วยคนอื่นต้องช่วยตัวเองด้วยอ่ะ